Book 2 80 80สคำคุณศัพท์สาม a d j e k t i v e r 3, 3>, 3. เธอมีสุนัขหนึ่งตัวหุ่นไห่หุ่นสุนัขตัวใหญ่หุนนั้นใหญ่ เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตั ว, เ, ตวเธอมีบ้านหนึ่งหลังบ้านหลังเล็กเธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง เ, เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง โรงแรมราคาถูกโโรงแรมราคาถูกเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกเขาพัมรเขาพักอยู่ในรงแรมราคาถูกันโรถอ่รงคันโรถเราคาถเขารแมาคาพรงแถพอนง่งขันันาแนรถราคาแพงนอรอ เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน Han har bil. เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องเขาอ่านนิยายหน้าเบื่อยายน่าเบือนิยายน้าเบื่อหนเเขาอ่านนิยายหน้าเบื่อหนึ่งเรื่อง Han เธอดูหนังหนึ่งเรื่องหนังน่าตื่นเต้นเธอดูหนั ง, น, งน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่องคารุนาไปที่ www. b o o k t o de